วันก่อนนะมีเหตุการณ์เล็กๆ เ, เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะกลางกรุงเทพขณะที่รถเบนซ์เนี่ยนะกำลังนะจอดอยู่เพราะว่ารถติด ก, ก็ปรากฏว่ามีรถซานเล้งเนี่ยนะขับไปชนท้ายรถเบนซ์เนี่ยราคาแพงมากนะคนที่เป็นเจ้าของนี่ ก็ต้องรักษาให้ดีแล้วก็คงจะหวงแหนด้วยส่วนซาเล้งเนี่ยนะก็เป็นรถราคาถูกพอชนท้ายรถเบนเนี่ก็เสียวบูบเลยนะเพราะว่าถ้าชดใช้นี่ก็คงจะไม่มีปัญญาแต่ปรากฏว่าเจ้าของรถเนี่ยพอลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับท้ายรถของตัว แล้วคเห็นจะคงจะเห็นรอยบุบนะแต่พอ ร, รู้ว่าต้นเหตุเนี่ยคือสารเลงเนี่ยแล้วก็ไม่เอาเรื่องนะไม่เอาเรื่องไม่เอาราวแล้วบังเอิญก็มีคนเนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้ น, นจนกระทั่งเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยขึ้นรถนะ กลับไปเพราะไม่เอาเรื่องกับรถสาลเล้งคนก็ชื่นชมสรรเสริญมากนะแชร์กันไปไม่รู้กี่รอบนะเพราะว่าคนดูเนี่ยนะถึง4ล้านวิวนะก็4ล้านวิวก็คงประมาณ4ี่ล้านคนนะนะวิวละคนวิวละคนป่านนี้ก็จะ5้าหกล้านแล้วกันนะ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเจ้าของรถราคาแพงเนี่ยเขาไม่เอารถไม่เอาเรื่องนะเจ้าของรถสาเลงถามว่าทำไมถึงไม่เอาเรื่องนะส่วนหนึ่งก็คงเพราะเห็นเจ้าของรถสาเลงเนี่ยเป็นคนจนแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงเห็นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้โกรธเครืองมาก เพราะถ้าโกรธเครืองมากนี่ก็คงจะเอาเรื่องเอาราวเจ้าของรถซาเล้งถ้าถามว่าทำไมถึงไม่โกรธมากนะเขาจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือเพราะไม่ถือนะไม่ถือลองนึกนะถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเนี่ยถือนะ ก็ย่อมโกรธแล้วก็ต้องหาเรื่องกับซาเล้งอาจจะด่าว่าหรือว่าอาจจะทำอะไรยิ่งกว่า น, นั้นเรี่กงาชดใช้เป็นต้นธรรมดาคนที่เป็นเจ้าของรถราคาแพงเนี่ยหรือคนที่รักรถเนี่ยนะเขาก็ พอมีอะไรมากระทบกับรถที่เขารักก็ย่อมโกรธนะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะโกรธขึ้นมาทันทีนการกระทบการกระแทกหรือว่าการชนรถนี่ก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกหรือจิตใจของเจ้าของรถ ว่าจะถือมากน้อยเพียงใดไม่ใช่ว่าพอทรัพย์สินของตัวเนี่ยถูกกระทบแล้วนี่มันจะโกรธทันทีนะอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในคือว่าใจเนี่ยของเจ้าของเนี่ยเขามีความยึดถือนะยึดมั่นถือมั่นเพียงใดยึดถือยึดมั่นว่ารถของกูรถของกูถ้ายึดถือหรือยึดมั่นอย่างนั้นเนี่ย พอมีอะไรมากระทบรถของกูไอ้ตัวกูเนี่ยก็ต้องเกิดความโกรธอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะถือหรือเป็นเพราะยึดมั่นแต่ถ้าไม่ถือเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่โกรธตัวการสำคัญเนี่ยที่ทำให้ทุกข์หรือทาให้โกรธหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับรถของตัวอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่ า, วาความยึดมั่นถือมั่นนะว่ามีมากน้อยเพียงใด มันก็ทำเดียวกับเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอหรือว่ามาเดินชนหลังเราเนี่ยเราจะกำลังหาซื้อของตรงจากหาเปรย์แผงลอยริมถนนแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีคนมาชนหลังเราจนเราเซเลย ทีแรกเราอาจจะโกรธโมโหแต่พอเราหันหลังกลับไปพบว่าคนที่มาชนเราเนี่ยเป็นคนตาบอดเรายังจะโกรธอยู่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่โกรธแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถือหรือว่ามีคนมาต่อว่าด่าทอให้ได้ยินแต่พอรู้ว่าเขาเป็นคนบ้าก็ เ, าเป็นคนเมาเราโกรธไหม เราก็ไม่โกรธนะพ่ออะไรพราะเราไม่ถือไม่ใช่พอเสียงด่ากระทบหูเร้จะโกรธทันทีไม่ใช่ว่ า, พ อ, า, กกววาพอมีคนมาชนหลังเราเราจะโกรธทันทีไม่ใช่สิ่งทั้งำัานอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยถือหรือเปล่านะถ้าถือก็โกรธ ถ, ถ้าไม่ถือก็ไม่โกรธผู้ย่างก็คือความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะ มันไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติของเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราถือหรือไม่นะเช่นถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าถือในตัวตนถือในศักดิ์ศรีหน้าตาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนั้นแหละเราจึงจะโกรธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรากับ ข้าวของของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เราโกรธหรือทุกทันทีนะมันอยู่ที่ใจของเราเนถ้าใจเราถือเราก็โกรธล้วก็ทุกเนี่ยนั่นจะพูดได้ว่าไอ้ความยึดถือเนี่ยแหละนะคือสมุทัยแห่งความทุกข์คือสมุทัยแห่งความโกรธไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอันนี้คนไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่ไปคิดว่าเหตุแห่งทุก เหตุแหงความโกรธเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของคนอื่นหรือสิ่งภายนอกแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเองอย่างตัวอย่างเนี่ยรถซาเลี้ยงชนรถเบนซ์เนี่ยนะแล้วเจ้าของเขาไม่เอาเรื่องเนี่ยพราะเขาไม่ถือนะหรือถืออาจจะถือไม่มาก ยึดถือในรถนะหรือยึดถือในความถูกต้องจะยึดถือในรถว่าเป็นเราเป็นของเรายึดยึดถือในความถูกต้องมากๆมันก็โกรธนะอะไรว่ามาชนรถกูนะรถกูอยู่ดีๆมาชนท้ายนะนี่มันก็เกิดความโกรธขึ้นมาพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องแล้ว แต่พอไม่ถือหรือถือไม่มากนะมันก็ไม่โกรธเพราะไม่โกรธมันก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาราวกับรถซาเล้งแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์ใจมากเหตุการณ์นี้มันก็คล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะที่เคยเล่านะคุณยายอายุ90นั่งอยู่บนรถเมย์ท้องพักนี้ก็มีผู้หญิงสาวนะท่าทางเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยขึ้นรถเมย์ แล้วก็หย่อนตัวลงนั่งข้างๆคุณยายหญิงสาวคนที้สะพายกระเป๋าใบโตพอหย่อนตัวลงนั่งเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันก็ไปไปโดนใบหน้าของคุณยายแคุณยายแกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแกก็นิ่งสักพักระห่งที่นั่งอยู่เนี่ยหญิงสาวนี่แกก็ ค้นหาของในกระเป๋าคนอยู่นานกระเป๋าก็ไปสะกิดถูกตัวคุณยายคุณยายก็กเฉยพอนั่งไปสักพักจู่ๆหญิงสาวนี้ก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเนี่ยกระเป๋าใบโตของเธอก็เวียงไปนะไปที่ใบหน้าคุณยาย แต่คุณชายแกก็รู้ทันก็เอามือป้องเอาไว้ก็วันนี้เกิดขึ้นโดยที่หญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ข้างหลังเห็นเหตุการณ์ก็กเลยตะโกนบอกผู้หญิงคนนั้นว่ า, น า, นานเนี่ยให้ระวังหน่อยเนี่ยไม่รู้รลอว่ากระเป๋าของคุณไปโดนคนอื่นเขา ยิงคนนั้นก็หันมามองแล้วทั้งที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำทีไม่สนใจเฉยเมยไม่รู้สึกผิดแล้วก็ไม่ได้กล่าวคําขอโทษอะไรแล้วก็ลงจากรถเมยไปผู้ชายคนนั้นเนี่ยแกก็ถามคุณยายว่าทำไมคุณยายนิ่งทำไมคุณยายไม่พูดอะไรเลยเนี่ย ถ, ถูกเขาทำอย่างนี้ คุณยายก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยอะไรที่ไม่สลับสำคัญเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจหรือเสียอารมณ์กับมันมากนักเลยนะใเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมแล้วแต่ถ้าเราเอา แปลจริงเอาจังกับมันแปล เ, เรื่องเอาราวกับมันนะมันก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเสียอารมณ์ไปทั้งวันถึงเวลานอนทีก็นอนไม่หลับยายก็พูดต่อไปเน้านาะว่าเนี่ย เธอกับฉันแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะเราก็อยู่บนรถเมล์เพียงแค่ช่วคราวเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวป้ายหน้าฉันก็ลงแล้วว่าอย่าไปเสียเวลานะไปเสียอารมณ์หรืองุนงงกันเรื่องแบบนี้เลยคุณยายในเรื่องนี้เนี่ยก็คง วางใจคล้ายๆกับเจ้าของรถเบนซ์คันนั้นนะ่ะนะคือว่าไม่ถือนะการกระทําของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะทําให้คุณยายเนี่ยนะเจอการกระทบกระทั่ง แ, แกไม่ถือนะพอ แ, แกไม่ถือมันก็มันก็กลายเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าถือเมื่อไหร่นะไอ้เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีกับใครขึ้นมาไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะได้ง่ายนะกับชีวิคนเราในยุคนี้่องที่คุณยายพูดเนี่ยน่าสนใจนะคือว่าอะไรที่ไม่ ส, สำคัญเนี่ยอย่าไปเสียอารมณ์ไปกับมันเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราไปให้ความสำคัญกับมันเนี่ยหรือไปถือมันมันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนีาผู้คนทุกวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ตระหนักตรงนี้เท่าไหร่โดยเพราะในยุค น, นี้มีความถือตัวถือตนมากพอถือตัวถือตนเนี่ยใครมาทำแรงกระทบเนี่ยก็จะเกิดความ โรธเกิดความไม่พอใจแล้วก็สุดท้ายมันก็ทะเลาะเบาแวงกันบางคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ถือตัวถือตนนะแต่ว่าถือความถูกต้องหรือบางคนก็ทั้งถือตัวถือตนแล้วก็ถือความถูกต้องมันก็ยิ่งผสมลงหนักเข้าไปอ่ะสิ่งที่มันเป็น ตัวกระตุ้นให้คนเนี่ยมีความโกรธเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยากความถือตัวถืวตอตนแล้วก็คือความยึดถือในความถูกต้องซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นความถูกต้องที่เกี่ยวพันกับตัวเองถ้ า, ม, ถถ า, ม, ถา mình, มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับคนอื่นก็อาจจะไม่สนใจแต่ถ้าเกิดมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองนี่จะเป็นฟืนเป็นไฟจะโกรธ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียกับใครนะความผลเสียก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าพอยึดถือมากๆเนี่ยมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาพอเกิดความโกรธแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ทำในสิ่งที่สร้างปัญหากับตัวในภายหลังอย่างเมื่อสัก3ามสปีก่อนมั่งเนะี่ยมันมีพิธีกรคนหนึ่งนะ ขณะที่รถเนี่ยจอดอยู่ตรงใกล้ๆไฟแดงเนี่ยน ะ, ะก็มีรถมอเตอร์ไซค์คนนึงเนี่ยเฉียวท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คิดว่าเจ้าของรถราคาแพงกันนะรู้สึกเป็นมินิคูเปอร์คงไม่รู้นะใจ ก, ก็เลยขับรถเลยไปเลยพอดีไฟเขียวแต่ซักพักเนี่ย ก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาว่าเราทำไม่ถูกนะก็เลยกลับรถมาจอดตรงฝั่งตรงข้ามฝ่ายเจ้าของรถเนี่ยก็รู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่หลังรถลงมาดูก็เห็นรอยขีดข่วน ร, รอยบุบที่จริงก็ไม่มากเท่าไหร่ แล้วก็พอเห็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดรถอยู่บนถนนอีกฝั่งหนึ่งเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยแกก็ตรงมาที่เดินข้ามถนนนะตรงมาที่เจ้าของรถนะเพื่อที่จะมาขอโทษนะแต่บอกว่าเจ้าของรถเนี่ยโกรธมากนะโกรธมากนะตอบเลยนะ ตบเลยสองสมทีแล้วก็บังคับให้กราบรถของตัวระหว่างที่ตบเนี่ยก็ผู้ว่านเนี่ยทำไมถึงหนีทําไมถึงหนีเมือ่อพระต้องการตบเพื่อสั่งสอนพอเห็นว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะชนแล้วหนีก็เลยตบใหญ่เลยแล้วก็บังคับให้กราบรถของตัว เรื่องแบบนี้จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวนี้แต่บังเอิญมีคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก็ออกเผยแพร่ทาง facebook <c oughs> คนเห็นนี่เขาก็รู้สึกว่าเจ้าของรถคนนี้ทำเกินไปเพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่เขาก็สํานึกผิดแล้วเนี่ยเขาถึงเลี้ยวรถกลับมาแต่ว่าเจ้าของรถ มินคูปเปอร์นี่กับใช้กําลังกับเขาเขาแค่ทําให้รถเนี่ยมีรอยขีดข่วนแต่ว่าเจ้าของรถนี่กับทําลายเขาเขาพูดถึงความผิดแล้วเนี่ยนะในการทําให้รถเนี่ยมีรอยขีดข่วนเนี่ยมันผิดน้อยกว่าการที่เจ้าของรถไปทําลายร่างกายเขาสิบนะแต่บงังคับให้ไปกราบรถ คนก็เลยนะลุมประนามเจ้าของรลกคนนี้ซึ่งบังเอิญเป็นพิธีกรที่มีชื่อด้วยก็กลายเป็นว่าชื่อเสียงทีงเสียหายเลยถึงขั้นเสียผู้เสียคนไปเลยนะเพราะว่าคนก็ลุมดา่าก็เรียกสมัยนี้เรียกว่าทัวลงจนกระทั่งรายการต่างๆก็ยกเลิกนะไม่จ้างก็เรียกว่า แทบไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยในสุดท้ายก็ต้องไปบวชเมืถามว่าทําไมเจ้าของรถคันนั้นเนี่ยจึงทําอย่างนั้นอันนี้ก็เพราะความลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะถือยึดมั่นถือมั่นว่ารถของกูรถของกูแล้วก็ไม่ใช่ยึด ยึดมั่นถือมันนรถของกูอย่างเดียวนะยึดมั่นถือมันในความถูกต้องเดียวเนี่ยพอชนแล้วนี่มันมันต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่หนีการชนแล้วหนีนี่มันเป็นการกระทาที่เลวร้ายมากถึงข้นละอุบาทเพราะนั้นเมื่อทำต้องสั่งสอนแต่พอกว่าการกระทาขางตัวเพื่อสั่งสอนนี่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่แย่กว่า การที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยนชนแล้วหนีซะอีกนะซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้หนีอะไรไม่เห็นภาพชัดเลยนะสองกรณีนเนี่ยรถเบนซ์ถูกตาเลนชนแต่ไม่เอาเรื่องขณะที่รถมินิคูเปอร์เนี่ยถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวเอาเรื่องเอาราวถึงขั้นทำร้ายเขาไม่ใช่แค่ ด, าด่าจะทำร้ายแล้วตบ ตบเขาแล้วบางครั้ก้มกราบรถของตัวแล้วความแตกต่างอยู่ตงไหนความแตกต่างที่ว่าเจ้าของรถเบนซ์เไม่ถือพอเขาไม่ถือเขาก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอย่างที่รถเบนซ์ขเพื่อนี่ถือมากนะไม่ถือว่าถือว่ารถของกูรถของกูเท่านั้นนะแต่ถือในความถูกต้องมากจนเผลอทําความไม่ถูกต้องยิ่งกว่า นะ ร, ถรถมอเตอร์ไซค์นี่ทําไม่ถูกต้องนะแต่พอไปยึดมั่นถือมาก่การกระทําของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์มากนี่ก็เลยทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแม้ทางยึดมั่นในความถูกต้องนี่มันก็น่ากลัวนะเพราะว่ามันสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยทาในสิ่งที่เลวร้วายหรือไม่ถูกต้องยิ่งกว่าก็ได้ให้ตัวอย่างนี้ก็พูดมาเยอะแล้ว แล้วก็ปฏิกิริยาของผู้คนหรือผลกระทบที่ตามมาก็แตกต่างกันมากนะบอเจ้าของรถเบนนี่เขาไม่ถือนะโอ้คนสรรเสริญชื่นชมนะคนอยากจะดูอยากจะเผยแพร่ถึงสีคนก็ดูกันถึงสีห้าล้านวิวในขณะที่เจ้าของรถมีที่คูปเปนี่พอทำไปแล้วนี่โอ้คนลุมประนามด่า จนไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยมันต่างกันมากนะระหว่างการถือกับไม่ถือเนี่ยนะในแง่หนึ่งพอไม่ถือใจก็ไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ไม่โกรธมันก็ไม่ลืมตัวพอไม่โกรธไม่ลืมตัวก็ทำสิ่งที่ดีงามให้อภัยไม่เอาเรื่องไม่เอาราวคนก็สารเสวนะแต่คนหนึ่งนี่ถือมากนะ นั่งถือในเรื่องของว่ารถของกูรถของกูนะใครทำไม่ดีกับรถกูต้องมากราบรถกูแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องจนลืมตัวพอลืมตัวแล้วเป็นไงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสร็จ แ, แล้วก็เกิดปัญหาตามมาเกิดความเดือดนอเดือดเนื้อร้อนใจเกิดผลกระทบต่ออาชีพของตัว จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยคนก็ยังไม่ลืมนะว่าพิธิกรคนนี้เนี่ยเขาทำวีรกรรมอะไรอะไรไบ้างนแม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายปีนั่นคำว่าถือกับไม่ถือนี่มันจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกต่างมากอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกวันนี้คนราก็ เจอเรื่องกระทบกระทั่งกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าถือเมื่อไหร่นี่ก็โอ้ยเดือดเนื้อร้อนใจกันคุณยายเนี่ยนะบนเมเนี่ยแกไม่ถือนะผู้หญิงคนนี้จะเอากระเป๋ามาเบี่ยงโดนหน้าตัวเองแกก็ไม่ถือเพราะถ้าถือแล้วเนี่ยเรื่องมันยาวแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วที่ คุณยายพูดน่าสนใจนะเธอกับฉันหรือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็อยู่บนรถโดยสารแค่นี้แค่ชั่วคราวอีกประเดี๋ยวฉันก็ลงไปหน้าแล้วยิงคนเราเนี่ยก็ถึงแม้ไม่ได้นั่งอยู่บนรถโดยสารด้วยกันนะแต่เราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันแล้วก็เราทุกคนก็อยู่บนโลกนี้แค่ชั่วคราวอีกไม่นานก็ต้องลาจากโลกนนะี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ จะทะเลาะกันไปทำไมนะอันนี้คุณยายก็พูดให้เป็นข้อคิดยิ่งมีอายุมากนะเวลาเหลือน้อยแนละ้วไม่ควรจะเสียเวลาไปกับความทุกข์ไม่ควรเสียเวลาไ ป, ไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ ส, สาคัญแต่คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยตระหนักนะหรือว่าแยกแยกะว่าอะไรสาคัญอะไรไม่สาคัญ เจอนิดเจอหน่อยก็กลายเป็นเรื่อง ส, สำคัญขึ้นมาหรือบางทีก็เป็นหมกมุ่นกับเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นความสนุกสนุกความสุขสนุกสนานนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่สำคัญเนี่ยนะเช่นเรื่องการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบุญศน์หรือว่าการให้เวลากับคนที่เรารักรับผิดชอบกับคนที่เราห่วงใย บางทีไม่สนใจหรือแมก้กระทั่งการมีเวลาให้กับตัวเองในทางที่ดีงามก็ไม่สนใจไปสนใจกับเรื่องที่ไม่ ส, สำคัญเรื่องเล็กเลน้อยน้อยจึงไม่ได้แปลกใจที่คนทุกวันนี้เนี่ยหมดเวลาไปกับโทรศัพท์มือถือกันหมดเวลาไปกับความสุขสนามความบันเทิงเสียเวลาไปกับเกมออนไลน์มากมายเหลือเกินแต่เรื่องที่ ควรจะใส่ใจให้เวลากับความสัมพันธ์ให้เวลากับการทำความดีให้เวลา ก, การฝึกจิตฝึกใจไม่สนใจรวมทั้งให้เวลาการฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเรียนรู้ที่จะไม่ถือบ้างนะถ้าคนเราฝึกนะกับชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรมากระทบก็ไม่ถือเพราะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรือเพราะตอนหนักว่ายิ่งถือก็ยิ่งทุกข์น ฝึกเอาไว้นะฝึกฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นะก็ถึงเวลาจะตายนี่ถ้ายิ่งถือมากเท่าไหร่นี่มันยิ่งทรมานเพราะความตายมันก็ทําให้เราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคนที่ทุกทรมานก่อนตายเพราะเขาไม่ยอมวางแล้วเขาถือคือนั่นถือนี่เหลือเพราะในถือในอ่าไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทอง คนรักแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นในกายนี้งั้นถึงเวลาจะตายนี่มันถึงตายด้วยความทรมานมากเพราะว่าจะต้องอทิ้งกายนี้จะต้องทิ้งสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีชีวิตที่สงบโปร่งเบาแล้วถึงเวลาจะตายก็ไม่ทุกข์ทรมานมากน ะ, ะก็ต้อง รู้จักฝึกใจในการปล่อยการวางฝึกที่จะไม่ถือเดือยเพราะเรื่องที่ไม่สรับสำคัญเรื่องเล็กเล่นน้อ ย, อยปล่อยไปซะ ต, ตัวอย่างนะที่เล่ามาเนี่ยก็มันชี้เห็นเลยนะว่าระหว่างการถือกับไม่ถือเนี่ยมันให้ผลต่างกันมาก